เรื่องผ้าไม่พอ360สสมัยนั้นเมื่อสงฆ์กำลังทาไตรจีวรให้ภิกษุรูปหนึ่งผ้าตัดทั้งหมดไม่พอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย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 ตัดหนึ่งผืน